พุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลกเอาออกจากพระไทยนะแต่ก่อนคำพียังไม่มีคำพีใบลานที่ว่าพระไตรปิฎกยังไม่มีศา ส, สนาล่วงไปท่านมาจดจาลรึกสังคยนาจึงได้มาเป็นคำพีใบลานออกมาแต่ก่อนจำด้วยปากออกมาจากใจของพระอาหารหันต์ท่านทีนี้ก็มาคิดรั้นนานไปนี้ท่านผู้สินกิเลส ท, ท่านผู้บริสุทธ ค่อยร่วงโรยไป น, นี้ธรรมะทั้งหลายจะมัวมองมือตือต่อไปจะหาหลักหาเกณฑ์ไม่มีก็เลยคิดจดจารึกสังขยนาตั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะท่านร้อยกรองพระธรรมวินัยขึ้นมาเป็นคำพีใบลา น, นี้แต่สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีตระสร้ผึ่งขึ้นมานี้เป็นคำพีในหัวใจเลยพระสาวกเป็นคมภีในหัวใจ เวลาแสดงธรรมแก่โลกสรงเราะโล ก, โลกท่านไม่ไปหาคัมภีร์ไหนถอดออกมาจากนี้จากนี้ตามนิสัยวาสนาของตัวที่มีความรู้กว้างแคบขนาดไหนท่านออกของท่านของท่านโดยลำดับต่อมาก็ไปอยู่ในคัมภีร์ทีนี้เลยลืมตัวคัมภีร์ใหญ่ใจนี้คือคัมภีร์ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบทเป็นบาทเป็นแม่พิมพ์ของคัมภีร์ทั้งหลาย ลืมดูอันนี้สิเลยเอาแต่เจ้าคำพีมาเหยียบคำพีใหญ่นี้หมดภาษิตโบราณท่านว่าทองคำมักบางพระพุทธคือทองคำบางพระพุทธเห็นไหมไปที่ไหนติดทองเหลืองอาร่ามยิงได้หล่อรูปเป็นทองคำแล้วเห็นแต่ทองคำพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นไม่เห็นนะเนี่ยแหละท่านว่าทองคำมักบางพระพุทธ คือทองคำเหลืองอาร่ามอยู่นอกเลยดูแต่ทองคำตัวพุทธทะแท้ที่เป็นองค์สำคัญอยู่ภายในนั้นไม่ได้ดูกันเสียเรียกว่าทองคำมักบางพระพุทธสงสมมุติมักบางอริยสงก็อย่างที่เรารู้ไปที่ไหนก็มีแต่นักปราดนักปแปดมันไม่ได้ว่านะเข้าใจไหมมันมาแต่นักปราดนักปราด ยิ่งคนยอว่านี่เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยเป็นบ้าไปเลยนั่นน่ะเขาเรียกว่าสงสมมุตมักบางอริยสงอริยสงอยู่ในหัวใจนั่นแต่มันไม่มองดูนี้มันมองดูแต่คำภีใบลานไขว่คว้าไปหลุๆมลุ่มแรงแรงอันของจริงอริยสงอยู่ภายในหัวใจตัวเองไม่ดู กระจายออกไปอีกก็เห็นการศึกษาเล่าเรียนการจดจำมาได้แต่เสียงได้แต่ลมเหมือนนกคุณทองว่าเป็นของดีไปเสียภาคปฏิบัติไม่สนใจจะปฏิบัติเอาธรรมที่เลิ่อเลอขึ้นมานี่ก็บางอีกเข้าใจไหมสงสมุติมักบางอริยสงบางอย่างนี้แหละเห็นการปฏิบัติผู้ปฏิบัติ ไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่งมเงาเก่าหมัดไปสีอีก